คำปุ้นเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นสักนั่งไปนั่งมาก็เกิดง่วงจึงเอาผ้าขาม้าที่เขียนพุงไว้มาปูนอนใช้แขนข้างขวาหนุนศีรษะต่างหมอนมือข้างซ้ายกายหน้าผากเหมือนคนเจ้าทุกลมเย็นๆพัดมาต้องกายช่วยให้คลายความเมื่อยล้าแล้วก็เลยหลับพลอยไปในเวลาอันรวดเร็วปล่อยให้พักผวกเพื่อนฝูง ช่วยกันขุดผีอีกแก้วอย่างเอาเป็นเอาตายโดยมีพระหนึ่งองค์คอยบงการส่วนอีกองค์ก็เอาแต่นั่งหลับหูหลับตาน่าเบื่อหน่ายเขาไม่ชอบพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่เลื่อมใสศรัทธาแม้ท่านจะบอกว่ามาช่วยก็ตามแท้จริงนิสัยส่วนตัวของเขานั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจและเพราะความเห็นแก่ตัวนี้เอง ที่ทำให้หาคู่ครองมาเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่ได้ต้องครองโสดมากระทั่งอายุเข้าปีที่25ห้ายกๆยกหย่อนหย่อนจนพ่อแม่พี่น้องรู้สึกอ่อนหนาระอาใจนอกจากเห็นแก่ตัวแล้วเขายังเป็นคนเกียดคร้านการงานหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพื่อนเขาทำงานกันงกๆแต่ตัวเขากลับหลบมานอน ช่างเห็นแก่ตัวเสนีกระไรนั่งพิจารณาผีดิบกันอยู่ครู่หนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ถามท่านพระครูว่าจะเยียอย่างใดกับมูมันดีครับภิกษุวัย45ห้าจึงถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อครับโยมเขาถามว่าจะทำอย่างไรกับสามศพนี่เผา หลุงพ่อในป่าตอบท่านพระครูจึงบอกให้พวกเขาช่วยกันไปหาย้าและไม้แห้งมาทำเป็นเชื้อเพลิงคนทั้งหกต่างช่วยกันอย่างขมิขมันด้วยกลัวว่าจะข่ํมมืดเสียก่อนประมาณสินาทีหลังจากนั้นร่างของผีดิบก็ถูกปกคลุมมิดชิดด้วยย้าและไม้แห้งคนที่มีไม้ขีดเตรียมพร้อมที่จะจุดไฟ เดี๋ยวก่อนโยมขอเวลาให้อาตมาถามหลวงพ่อท่านก่อนสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามไว้แล้วจึงถามภิกษุรัตตัญยว่าหลวงพ่อครับเผาได้เลยใช่ไหมเผาได้หลวงพ่อดำตอบโดยไม่ลืมตาเช่นเคย สวดชยันโตหรือเปล่าครับท่านพระครูถามอีกไม่ต้องมเมื่อท่านตอบมาอย่างนี้ภิกษุวัยสจึงบอกคนที่กำลังจะจุดไม้ขีดว่าเอาละโยมจุดไฟเผาได้เลยบุรุษนั้นจึงจัดการจุดไม้ขีดทว่าจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดเสียงเขาบน่นงงๆว่า สงสัยจะ ก, กรรมไม่ขีดไว้เมินจนเปี้ยเงือเลยจุดบัตติดจมอังขจายจุดเข้ากะกระเดียวจะค่ำผู้ใหญ่บ้านเตือนก็มันจุดบัตติดนะผู้ใหญ่เขาบอกเนื้ออย่างถึงบัตติดละ่ะไหนส่งมือหากรรมปูรุษนั้นส่งกลักไม่ขีดมาให้ ผู้ใหญ่บ้านจึงหยิบไม้ขีดออกมาจากกลักก้านหนึ่งแล้วจุดหากก็ไม่มีไฟปรากฏออกมาอีกเช่นกันยังอย่างมันถึงบัตตลิล่ะอีกาว่ามันจื้นมาเป็นยังใจ้ไฟแชกของฮาก็ได้พูดพลางเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงหยิบไฟแชกออกมาแล้วจุดทว่าก็จุดไม่ติดท่านพระครูรู้ว่า นั่นเป็นการต่อต้านของพีดิบที่พากันห่วงร่างหากร่างของพวกเขาถูกเผาทำลายไปก็หมดทางทรมาหากินจึงต้องต่อสู้ป้องกันจนถึงที่สุดหลวงพ่อครับพวกเขาต่อต้านไม่ยอมให้เผาร่างของเขาครับใช้ทั้งไม่ขีดและไฟแช็กก็ยังจุดไม่ติด ท่านพระครูกราบเรียนหลวงพ่อที่นั่งหลับตาเพื่อจะให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปใช้เตโชกสินเผาภิกษุรัตัญยูแนะนำท่านให้เผาด้วยเตโชกสินสมานา์วัดป่ามะม่วงบอกคนทั้งหกเมื่อเห็นพวกเขาทำหน้างงเตโชกสินอยู่ไหนครับ ใหญ่บ้านถามเขาไม่รู้จักเตโชกสิล์เช่นเดียวกับลูกบ้านทั้งสามอยู่ที่อาตมากับหลวงพ่อที่นั่งอยู่ใต้ต้นชำฉานั่นท่านพระครูตอบอ๋อนหลวงปู่ก็เอาเตโชกสิลออกมาเตอะครับมูเฮาลจะได้ช่วยกันจัดการบุรุษหนึ่งเอ่ยขึ้น แล้วงือ้อหลวงปู่องค์นั้นเอาออกมาต้วกวาครับผู้ใหญ่บ้านถามไม่ต้องหรอกใช้ของอาตมาคนเดียวก็พอแล้วพวกโยมก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งดูเฉยๆนะห้ามพูดห้ามคุยสงสัยอะไรก็อดใจไว้อย่าพึ่งถามจนกว่าอาตมา จะเผาศพเหล่านั้นเสร็จเข้าใจหรือเปล่าท่านชี้แจงแก่คนทั้งหกหลวงปู่จะจช้ออำนาจติดเผาใจก่อครับลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านถามเขาเป็นคนเดียวที่พอจะรู้เรื่องถูกแล้วพ่อนุ่มเอาละพากันนั่งนิ่งนิ่งนะอาตมาจะลงมือละ แล้วท่านจึงนั่งในท่าคูบันลังขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นบริกรรมว่าเตโชเตโชอยู่ในใจแม้จะไม่มีไฟตรงหน้าสำหรับเพ่งหากท่านก็สร้างมันขึ้นมาในมโนนึกเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ก็บังเกิดไฟลุกขึ้นและไหมลุกลามอย่างรวดเร็วห้านาทีให้หลังซากผีดิบก็หายไปไม่เหลือไว้ให้เห็นแม้กระดูกไฟมอดลงแล้วหนุ่มน้อยจึงพูดขึ้นว่าหลวงปู่เก่งขนาดแต้ห่อเหรอผีไม่มดเลยนี่ถ้าเผาด้วยไฟธรรมดากระดูกจะบ um ่อไหมเจ้าครับเขาตั้งข้อสังเกต ถูกแล้วพ่อนนุ่มนอกจากกระดูกจะไม่ไหม้แล้วยังใช้เวลานานกว่าจะเผาเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยกลิ่นเนื้อสดๆถูกเผานะ่ะท่านพระครูตอบบุรุษอีกห้าคนรู้สึกตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจจนพูดไม่ออกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะพบจะเห็นนี่แหละพระอะไรก็ไม่รู้ ช่างเก่งเหลือเกินครั้นหายตื่นเต้นแล้วจึงพร้อมใจกันกราบท่านสามครั้งด้วยความสำนึกในบุญคุณคนเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นว่านิมนต์หลวงปู่พักอยู่ในหมู่บ้านแห่สักสองสาวันได้ก็ครับหมูโหจะทำบุญฉลองติหลวงปู่ปราผีดิบได้สำเร็จไม่ได้หรอกโยมอาตมาเป็นพระทุดง รับนิมนต์โยมไม่ได้หรอกขอให้โยมไปนิมนต์พระที่วัดในหมู่บ้านแทนก็แล้วกันการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีอาตมาขออนุโมทนาแล้วหลวงปูจ่จะทุดงไปที่ไหนต่อครับไปลำปางอาตมาตั้งใจว่า จะไปกราบหลวงพ่อเกษมเข ม, มกโกที่สุสารไตรลักษณ์โยมรู้จักท่านไหมหูจักครับหมูเฮานับถือท่านกูคนดีแล้วท่านเป็นพระสุปติปันโนที่น่าเคารพเลื่อมใสเมื่อโยมนับถือท่านก็ต้องหมั่นทำความดีนโยมนะ ครับหลวงปู่หมูเฮาจะบ่ลืมบุญคุณหลวงปู่เลยถ้าหมูเฮาก็เติงหาหลวงปู่จะไปปะได้ที่ไหนครับเขาถามท่านพระครูจึงบอกชื่อและที่ตั้งของวัดที่ท่านจําพรรษาอยู่จากนั้นจึงถามหลวงพ่อดําว่าหลวงพ่อครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปลําปางได้หรื อ, อยังครับด้แล้ว เธอล่วงหน้าไปก่อนประเดี๋ยวเราจะตามไปพระในป่าตอบโดยไม่ยอมลืมตาถ้าเช่นนั้นอาตมาลาโยมก่อนนะเก็บข้าวเก็บของแล้วพากันกลับไปยังหมู่บ้านได้แล้วกราบหลวงปู่ท่านเสียก่อนคนทั้งหกจึงหันหน้าไปทางต้นชำชฉาแล้วกราบหลวงพ่อดําพร้อมกัน คนเป็นผู้ใหญ่บ้านพูดว่าขอบคุณหลวงปู่จัดหนักที่จ่ยหมูเฮาครั้นเห็นท่านไม่ตอบจึงพากันเก็บจอบเสียมและมีดเน็บท่านพระครูเดินนำหน้าไปก่อนแล้วพวกเขากำลังจะออกเดินทางก็ได้ยินเสียงร้องมาจากต้นสักว่าจ่ยก้ามจ่ยก้ามหาถูกงูคบ เสียงน้าคำปุ้นนะครับป่อลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นหายตกตะลึงกันแล้วคนทั้งหกจึงวิ่งไปยังต้นศัก์ที่นายคำปุ้นนอนหลับอยู่อสรพิษตัวหนึ่งออกจากรูไปหาอาหารกินครั้นกลับมาพบคนนอนขวางรูอยู่จึงกัดที่ต้นแขนข้างซ้ายของชายคนนั้นนายคำปุ้นตื่นขึ้นก็ร้องโวยวาย อาสารพิษตัวนั้นตกใจจึงเลือ้อยหนีเข้าป่าไปกฎ <God, S 1> <God. S 2> อะไย่างคุนผู้ใหญ่บ้านถามในคำพุ้นเขาถูกงูคบสงสัยจะเป็นงูเห่าเขาตอบไหนไหนมันอยู่ไหนจะได้เอาไปแกงกินคนถือจอบถามหางูนึกอยากกินแกงเผ็ดงูเหา่าจนน้ำลายไหล บัวเห็นถ้าเดือเลื้อยเข้าป่าไปแล้วจุ่ย้ากรรมกับคนอายุไล่เลียกันเขาแทนตัวเองว่าหาส่วนผู้ใหญ่บ้านอายุมากกว่าเขาจึงใช้เห่าเยื่จดจะตใจดีล่ะต้องหาเจือกมมัดแขนไว้บะฮือพิษเล่นเข้าหัวใจเจือกกระบอมมีบุญคุม้มคิงไปตัดทวันมาผู้ใหญ่บ้านบอกบุรุษคนที่ถือมีดเนบ บอครับเขาว่าไปโตัหาหลงปู่สององมันจุ๋ยดีกว่าเขาจะไปโตัเองลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านบอกบิดาถ้าจะอ่านคิงฝั่งไปโตัหาเต๋ะเขาบอกลูกชายหนุ่มน้อยจึงออกวิ่งเต็มฝีเท้าประเดี๋ยวหนึ่งก็วิ่งกลับมาบอกว่าบอเห็นตึ้งสององเลยครับป่อยังอย่างท่านถึงเดินเร็วนะัก กำลังแยกกันบัดเดี๋ยวนี้เองอ่ะนายบุญคุ้มสงสัยท่านกดใจคาถาย่นระยะทางหนุ่มน้อยตอบทว่าไม่มีใครเข้าใจเรื่องที่เขาพูดกว่านายบุญคุ้มจะหาเถาวันมาได้พิษงูก็วิ่งเข้าไปถึงหัวใจแล้วนายคำพุ้นก็ขาดใจตายด้วยความเจ็บปวดเขาสิ้นใจแล้ว ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านจึงพูดขึ้นว่าตายแล้วหมูเฮาตกใจกันจนขาดสติที่จริงเอาผ้าขาม้าของน้าคำปุ้นมามัดแขนแตนถาวันก็ได้เยือย่างบ่มีใครกึดอย่างอี้เออแต้ของคิงหมูเฮาลืมกึดไปก็ว่าจะเป็นเพราะคำปุ้นมันถึงที่ตายก็บอหูย่าหมูเฮากึดบอ่ออก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 แล้วเอ่ยถามหลวงพ่อมาถึงนานแล้วหรือครับนอนหรือไม่นอนก็ถึงก่อนเธอแล้วกันอาจารย์ตั้งใจยวนถึงก่อนผมนานไหมครับสิทธ์ตั้งใจยัวคิดว่าได้ยัวอาจารย์จะทำให้หายเหนื่อยได้ อยากรู้ก็ไปหาคำตอบเอาเองสิที่นี่ไม่มีคำตอบให้ต่อหน้าคนอื่นหลวงพ่อดำมักพูดน้อยต่อเมื่ออยู่สองต่อสองกับสิทธิ์ท่านก็จะไม่พูดน้อยเลยทีเดียวไม่มีให้แต่มีขายใช่ไหมครับคือถ้าขอไม่มีให้แต่ถ้าซื้อมีขาย สิทธิ์ยังคงยั่วเธอเห็นเราเป็นพ่อค้าหน้าเลือดไปแล้วหรืออย่างไรคิดอกุศลกับเราแบบนั้นระวังบาปกรรมตามทันคงไม่ทันหรอกครับเพราะผมล่องหนหายตัวได้จะล่องหนหายตัวหรือจะเหาะเหินเดินอากาศได้ก้นนี้กรรมไปไม่พ้น ลืมแล้วหรือพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ตรัสเป็นภาษาอะไรครับไทยหรืออังกฤษสิทย่วอีกรสเป็นภาษาจิตซึ่งจะแปลเป็นอังกฤษหรือไทยได้ทั้งนั้นถ้าเช่นนั้นผมอยากฟังที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หลวงพ่อกรุณาแปลให้ผมฟังด้วยเถอะครับหลวงพ่อดำพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า If you are afraid of and dislike suffering, do know i l will eat openly or in private. If you do all intend evil, there is no escape from suffering, even if you run away all through miraculous powers. อาจารย์พูดจบสิจึงสารภาพเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อครับผมตกภาษาอังกฤษนิมนต์ภาคไทยได้ไหมครับผมถนัดภาษาไทยมากกว่านึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมละ่ะอาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ย ก็พอจะรู้ครับแต่ผมอยากฟังหลวงพอ่อภาคไทยมากกว่าเธอภาคเองก็ได้นี่ลองนึกทบทวนดูสิว่าพระพุทธองค์รัสเตือนไว้อย่างไรที่จะไม่ให้คนทำชั่วนึกออกแล้วครับผมสอนตัวเองเสมอๆด้วยพระพุทธวจนะบทนี้ พระพุทธองค์ตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจ้งถ้าท่านจักทำหรือทำอยู่ซึ่งความชั่วถึงแม้จะเหาะนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยตรัสเตือนไว้อย่างนี้ครับเก่งนี่เอาละ่ะนี่ก็เข้าเขตจังหวัดลำปางแล้ว ให้เธอไปกราบหลวงพ่อเกษมและทําการบ้านตามที่เราเคยสั่งไว้แล้วหลวงพ่อไม่ไปกับผมหรือครับเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปจะรอเธออยู่ตรงนี้แหละอย่าลืมการบ้านที่เราสั่งละ่ะไม่ลืมหรอกครับผมยังไม่แก่ก็หลวงพ่อ อายุตั้งสองพันกว่าปียังไม่ลืมนี่ครับ